ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ห้าสิบเอ็ดมาคุยธรรมะอื่นบ้างแต่ก็โยงกันไปแหละพูดไปแล้วถึงเรื่องบุพนิมิตแห่งมรรคซึ่งนำเข้าสู่มรรคทินนาเข้าสู่มรรคมรรคย่อลงก็คือสีสมาธิปัญญาสีสมาธิปัญญานั่นก็นอกจาก อยู่ในมรรคแล้วก็เป็นเรื่องายศึกขาด้วยอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าายศิกขาเป็นเรื่องของการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาคนการฝึกฝึกเพื่อให้มีชีวิตที่ดีงามเมื่อฝึกตามตายศิกขาก็ได้วิถีชีวิตที่ดาเนินตามมรรคก็คู่กันไปในเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่เป็นหมวดโดยยอของมรรค แล้วก็เป็นเรื่องตจศิกขานี้เป็นธรรมะหมวดใหญ่ที่ครอบคลุมการปฏิบัติในพุทธศาสนาทั้งหมดอันนี้สําหรับการปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังก็มาเน้นที่พระภิกษุหรือว่าฝ่ายบัณฑปชิตนี้ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติสําหรับคฤหัตพระพุทธเจ้ายังตรัสธรรมะไว้อีกหมวดหนึ่ง ซึ่งก็คล้ายๆกับศีลสมาธิปัญญามีสามข้อเหมือนกันแต่ว่ามีความแตกต่างออกไปที่จุดเน้นและชุดนี้ซึ่งมีสามข้อเหมือนกันเนี่ยสำหรับคารื้หัดเราจะได้ยินเสมอเวลาพูดถึงเรื่องของครื้นหัดเราจะพูดถึงเรื่องว่าทานศีลภาวนา ก็มีสามข้อของพระภิกษุหรือหลักใหญ่เนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ที่ตรัสสำหรับคฤหัสถ์จะใช้บทที่จะเรียกว่าทำให้ง่ายขึ้นเป็นฐานศีลภาวนาและจุดเน้นก็เปลี่ยนไปดัะนั้นเราอาจจะพูดว่าสำหรับคฤหัสถ์นี้หลักตรายศีขานั้นพระพุทธเจ้าตรัดให้เหมาะกับชีวิต ที่อยู่ท่ามกลางโลกที่วุ่นวายกับวัตถุมากกว่าเนี่ยก็ลเลยให้หลักที่เรียกว่าฐานสินภาวนาฐานสินภาวนานี่ก็มีชื่อเรียกกันว่าบุญญกิริยาหรือบุญญกิริยาวัตถุคงเคยได้ยินแล้วแหละเพราะเรียนมาแล้วในนวกับภูมินี่คิดว่าต้องผ่านบุญญกิริยาวัตถุสแตยังแถมยังสามารถไปขยายเป็นบุญญากิริยาวัตถุ10บก็ได้ แต่ว่าหลักในพระไตรปิฎกก็มีแค่สามนี่แหละที่เป็น1ิบนี่มาจากอัตกะาอัตตกถาก็เอาไปขยายจากสมเป็นส0บอีกทีหนึง่งเพราะนั้นในที่นี้เราเอาชุดสามเป็นหลักเพราะว่าเราต้องการเทียบกับชุดใจสิกขาด้วยอันนี้ฐานสีนภาวนาเรียกว่า บ, บุญญกิกริยาหรือว่าบุญญาวัตถุวัตถุก็แปล ง, ง่ายๆก็คือหลักเอากันแบบว่าไม่ต้องอธิบายมาก และบุญญากริยาก็การทำบุญเพราะนั้นบุญญกิริยาวัตถุก็หลักการทำบุญหลักการทำบุญก็มีสามข้อหนึ่งทานสองศีล ส, สามภาวานาอันนี้น่าสังเกตว่าพระพุทธเจ้าตรัสที่ให้สังเกตก็คือว่าทานศีลภาวานานี่ในพระไตรปิฎกตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีคาถาด้วย หลวงใช้คําว่าปุญญเมวสโสสิกขย ะ, ะก็แปลได้ว่าพึงศึกษาบุญ น, นี่แสดงว่าใช้คําว่าศึกษากแหล ะ, น, ะ น, นั้นจึงบอกว่าเทียบได้กับชุดใจสิกขานี่ถ้าเราดูตามพุทธพจน์นี้ปุญญเมวสโสสิกขยะพึงศึกษาบุญก็แปลว่าบุญญศึกษานั่นเองบุญญศิกขาบุญยศิกขาหรือบุญญศึกษาก็การศึกษาบุญ ก็เป็นการศึกษา3ข้อแต่เป็นการศึกษาในเรื่องของบุญเรื่องของความดีเป็นการฝึกเป็นการฝึกคนในการทำความดีสำหรับคารขึหัก็เน้ น, นเรื่องการทำความดีนะมอย่างเนี้ยอันนี้มาเทียบกับใจศึกขาข้อแตกต่างเราพูดกันไปแล้วว่าศีลนี่เป็นเรื่องพฤติกรรมกายวาจาที่อยู่ที่ ตัวเองด้านนอกนะด้านที่ออกไปสัมพัน์กับโลกภายนอกแล้วก็มาสมาธินี่อยู่ข้างในเรื่องจิตใจแล้วก็ปัญญาก็เรื่องข้างในเหมือนกันนะแต่เป็นด้านของความรู้เป็นเรื่องที่ออกมาอยู่กับโลกภายนอกสักข้อหนึ่งคือศีลแล้วเข้าไปอยู่ข้างในสองข้อสมาธิปัญญาทีนี้เรามาดูทานศีลภาวนา ทานเป็นเรื่องการให้ให้วัตถุสิ่งของก็เป็นเรื่องข้างนอกชัดเลยนีศีลก็มาอยู่ที่ตัวเตีวตัวที่ติดต่อกับภายนอกนี่เรียกว่าทานศีลสองข้อและอยู่ด้านนอกแล้วไปสามภาวนานี่ข้างในภาวนานี่หมายถึงอะไรภาวนานี่ก็การพัฒนาหรือการเจริญ หมายถึงเจริญจิตเจริญปัญญาก็คือเป็นด้านของจิตได้แก่สมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่ในคาว่าภาวนาก็ลกลายเป็นว่าของขรือหัดเอาด้านภายในสองข้อเนี่ยคือสมาธิและปัญญาไปรวมเป็นข้อเดียวเป็นภาวนาซึ่งถ้าเราจะแยกภาวนานี้ออกก็สามารถแยกไปเป็นจิตภาวนา หรือสมาธิภาวนาได้คร่องแล้วก็ปัญญาภาวนาคร่องก็กลับมาเท่ากับของพระภิกษุหรือหลักใหญ่จะไปว่าของพระภิกษุเลยเป็นของหลักใหญ่หลักใหญ่ที่ว่าสมาธิปัญญาเนี่ก็ไปรวมเรียกชุดสําหรับครึขัสชุดบุญญกิริยาหรือบุญญาศึกขาเนี่ยเป็นภาวนาคําเดียวนะส่วนของหลักใหญ่นี่ด้านนอกมีข้อเดียวคือศีล ไม่มีคำว่าฐานส่วนของกระหัสชุดบุญญกิริยานี้มีฐานกระสีอยู่ข้างนอกนะก็หมายความขยายจากสีนั่งไปศีนี่ก็มาต่อกับข้างนอกอยู่แล้วยังยืดออกไปยื่ดออกไปอีกข้อคือฐานนะสีนี่ยังอยู่ที่ตัวเราที่ติดต่อกับโลกภายนอกกายวาจาแล้แต่ว่าเป็นเรื่องของการเน้นการใบเบียดเบียนแล้วพูดถึงการ สัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้อมแบบเกื้อกูลพูดกว้างๆพอทานิชชัดเลยโดยมีการให้เลย ด, ดีนะฮะออกไปสู่โลกไปสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ไปมีการเอาสิ่งของไปให้เขาเนืนด้านนอกก็ขยายออกไปโดยที่ว่าศีลเราพูดกันแล้วว่าต้องการให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดลอ้อม ฐานนี้ก็ม น, นุนให้ความสัมพันธ์นั้นมันดีจริงๆมันช่วยให้การไม่เบียดเบียนกินนี้ได้ผลมากเพราะศีนี่มันมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในแง่ที่ไม่เบียดเบียนให้เกื้อกูลกันเพราะฐานนี้ก็ออกไปเกื้อกูลเลยทําให้มนหนุนการไม่เบียดเบียนกันให้ได้ผลยิ่งขึ้นนี่เป็นการเทียบนะให้เห็นว่าชุดหลักใหญ่เนี่ยเอาศีน มาอยู่ด้านนอกติดต่อกับโลกภายนอกข้อเดียวแล้วเข้าไปข้างในสองข้อสมาธิปัญญาเรื่องจิตใจกับปัญญาอันนี้เท่ากับว่าในชุดใหญ่เนี่ยศีลเนี่ยก็คือคลุมมาถึงทานไปด้วยคือว่าพฤติกรรมที่มันไม่เบียดเบียนเกื้อหนุนกันแต่ว่าไม่ได้เจาะจงให้ชัดแต่ไปเน้นข้างในเน้นด้านคุณสม บ, บัติเรื่องจิตใจเรื่องปัญญาทีนี้มาชุดบุญยศิกขาหรือบุญยกิริยาไปเน้นข้างนอก สองข้อทานศีลส่วนข้างในนั้นเอาสมาธิปัญญาไปรวมเป็นขภาวนาข้อเดียวนีอันนี้ทําไมจึงจัดอย่างนี้อา้าวเราก็พูดกันง่ายๆว่าจัดให้เหมาะสมกับชีวิตของชาวบ้านใช่ไหมเพราะชาวบ้านนั้นเป็นไงล่ะชีวิตของชาวบ้านน่ยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องวัตถุนี้มากเหลือเกินแล้วลมันก็เป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ทั่วไปที่ว่าคนเรานี่พอเกิดมาอยู่ในโลก มันก็ต้องอาศัยวัตถุเป็นอยู่ต้องอาศัยปัจจัยสี่เริ่มแต่อาหาราคนไม่มีอาหารก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นชีวิตก็ต้องดิ้นรล่นว่าทำไงจะมีอาหารเป็นต้นและปัจจัยอื่นมาเป็นเครื่องที่อาศัยเลี้ยงชีพให้เป็นอยู่ได้อันนี้แต่ละคนก็ต้องดินน้นหล่นมาดิ้นลนก็หาปัจจัยสี่มาเลี้ยงชีวิตของตนเอง มันก็ต้องคิดในเรื่องที่ว่าจะได้จะเอานะความคิดนี้ก็จะเน้นไปที่ว่าหาวัตถุเลี้ยงชีพหาอาหารเป็นต้นแต่ละคนนี่ดําเนินชีวิตก็มุ่งจะต้องไปหาอาหารกินเป็นต้นวันๆก็ต้องคิดแต่ว่าจะได้จะเอาจะได้จะเอาต่อมาก็เคยชินสิทีนี้พอนะเคยชินแต่ละคนก็คิดแต่จะได้จะเอาจิตใจก็โน้มเอเียงไปในด้านเดียว นอกจากว่าตัวเองจะได้จะเอาแล้วคนอื่นก็จะได้จะเอาก็จะมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแย่งชิงกันนี้พอมีการแย่งชิงกันก็จะเกิดปัญหาความเดือดร้อนทีนี้ก็มนุษย์นี่ก็มีความสามารถไม่เท่ากันบางคนก็แข็งแรงบางคนก็อ่อนแอบางคนก็มีความสามารถมีสติปัญญาดีบางคนก็ ขาดความสามารถบางคนมีโอกาสดีเช่นเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยบางคนนี่ด้อยโอกาสเกิดในถิ่นที่ยากแค้นหรืออยู่ในตระกูลที่ยากจนไม่สม่ำเสมอกันนี่เมื่อแต่ละคนนี่ต้องอาศัยวัตถุปัจจัยเลี้ยงชีพและแต่ละคนก็ดิ้นรนแสวงหาแย่งชิงกันไปคนที่อ่อนแอ ขาดความสามารถด้อยโอกาสก็แย่ใช่ไหมดังนั้นก็จะเกิดความเดือดร้อนโลกนี้ก็ไม่มีความสุขคนที่มีกําลังมีโอกาสมีความสามารถก็เอาให้ตัวได้มากนี่ก็ขาดความสม่ําเสมอสินี้คนที่ได้มากๆนี่มีกําลังมีความสามารถก็จริงก็จะต้องเกิดความหวาดระแวงคนที่เขา ขาดแคลนก็จะคอยจ้องหาทางอาจจะลักขโมยเรื่อยก็แล้วแต่ตกลงก็ไม่มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายไอ้เจ้าฝ่ายที่ด้โอกาสขาดกำลังเน่ยแล้วก็อ่อนแอก็ไม่มีความสุขอยู่ด้วยความทุกข์แร้นแคน้นก็เดือดร้อนไอ้ฝ่ายเจ้าพวกที่มีกำลังมากมีพรั่งพร้อมก็ต้องหวาดระแวงเพราะคนส่วนมากมันแยกกว่ามันก็ไปไหนก็ ไม่มีความปลอดภัยเนพราะนั้นในที่สุดก็อยู่กันไม่เป็นสุขเพราะนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าให้เราเนี่ยไม่เบียดเบียนกันโดยถ้าด้านหนึ่งก็มีศีลเลยแหละแต่ว่าศีล น, นี่จะมั่นคงได้อย่างไรถ้าคนยังมีปัญหาขาดแคลนอยู่ใช่มมันก็ต้องดิ้นรนในที่สุดรักษาศีลก็ไม่ค่อยอยู่อันนี้ก็ทำไงก็ต้อง เนี่ยแก้ไขได้วยการที่ว่าทําไงจะให้คนโดยทั่วๆไปพอจะมีพอจะกินอยู่ได้อันหนึ่งก็คือว่าต้องมีการแบ่งปันให้กันใช่ไหมท่านเองก็เลยสอนหลักธรรมข้อสาคัญไว้ข้อแรกสําหรับหมู่มนุษย์ที่ดํารงชีวิตอยู่ในโลกที่เป็นข้ารือหัดเป็นชาวบ้านครองเรือนกันอยู่ได้เป็นชีวิตของคนทั่วไป เพราะนั้นในเมื่อชาวบ้านเนี่ต้องยุ่งกับวัตถุมากชีวิตวุ่นวายกับวัตถุคิดแต่จะได้จะเอาพทธเจ้าก็สอนหลักธรรมข้อแรกมาให้สำหรับมาแก้ปัญหาให้สังคมนี้พออยู่กันไปได้พอจะให้มีความไม่เดือดร้อนขาดแคลนกันไปทำให้มีความสม่ำเสมอกันขึ้นมาบ้างก็คือมีการให้มีการแบ่งปันนั้นฐานก็เป็นข้อแรกนี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาทางสังคม นอกจากนั้นแล้วทานก็มาแก้ปัญหาในตัวบุคคลไปด้วยก็คือว่าเมื่อคนแต่ละคนเนี่ยอย่างที่ว่าต้องดิ้นรนแสวงหาอาหารครึ่งเลี้ยงชีพปัจจัยสี่วัตถุมาบำรุงบำเลือความสุขของตนเองแต่ละคนคิดแต่จะได้จะเอาจิตใจมันก็มีโลภมากไม่ได้อย่างใจก็โทสะก็เข้ามาก็ขัดเครื่องโลภะโทสะนี่คู่กันโลภะจะได้จะเอาพอโลภะถูกขัดโทสะมาทันทีปฏิกิริยาใช่ แล้วก็โมหะก็ความลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยไม่มองว่าโลกนี้เป็นยังไงคนอื่นจะอยู่สุขอยู่ทุกข์ยังไงเนี่ยลุ่มหลงละระลิงเพลิดเพลินมัวเมาอยู่กับความสุขของตอนเองอันนี้ถ้าอย่างนี้ก็พัฒนาจิตใจก็ยากเพราะจิตใจมันคิดแต่จะได้จะเอาโลภมันมากเพราฉะนั้นแม้แต่ในชีวิตส่วนบุคคลการให้ทานนี้ก็จะมีผล ก็คือว่าให้ชีวิตสมดุลขึ้นและเป็นทางของการพัฒนาจิตใจได้ด้วยจิตใจที่คิดจะได้จะเอาเพอมีการให้ก็จะมีดุลยภาพขึ้นมาว่าเอออย่าคิดแต่จะเอาจะได้อย่างเดียวนะคิดให้บ้างนะชีวิตของชาวบ้านยุ่งกับการจะได้จะเอาวัตถุเพราะฉะนั้นก็สอนหลักธรรมข้อแรกมาให้มีทานคือการให้ก็จะได้คิดให้บ้างพอคิดให้นี่ การพัฒนาคุณธรรมในจิตใจก็ตามมาได้ด้วยตามมายังไงล่ะอา้าวคนที่คิดจะเอาคนที่คิดจะเอานี่มันมองไปที่วัตถุสิ่งของพอมองไปที่วัตถุสิ่งของเนี่ยมันลืมมองดูคนแต่ใจมันระแวงนะ <c oughs> ไม่มองคนก็จริงใจระแวงเพราะว่าอะไรเพราะกลัวคนอื่นก็จะเอาเหมือนกันเพราะกลัวคนอื่นจะเอาใจมองไปที่วัตถุมันคิดไม่ดีแต่คนอื่นหวาดระแวงมองคนอื่นนี่ ด้วยจิตใจที่ไม่ไว้วางใจไม่เป็นมิตรมองเป็นปรัปักเป็นคู่แข่งนะดังนั้นก็จิตใจไม่ดีแสดงว่าทำให้เกิดปัญหานี่จิตใจเป็นอกุศลเพราะนั้นโลภะโทสะจึงมาคู่กันเพราะนั้นเวลามีโลภะต่วัตถุมากเนี่ยไอ้โทสะตะคนมาเกิดง่ายเลอเกิดนะ มันไม่ได้สิ่งที่ตัวต้องการคนอื่นจะมาแย่งหรือระแวงก็ตามมันโทสะมันพร้อมที่จะเกิดตลอดเวลาถ้าหากว่าเขาเข้ามาขวางทางตัวเองปับ๊บจะโทสะเกิดทันทีเลยก็เลยว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าเอ้าให้บำเพ็ญการให้นอกจากคุณจะได้จะเอาให้คิดให้ด้วยนะพอคิดให้นี่มันจะเริ่มพัฒนาคุณธรรมทันที พอคิดจะให้มันก็มองไปที่คนแหละเพราะจะให้เนี่ยต้องให้กับคนหรือจะให้กัสัตว์อื่นก็ตามคือมันมองไปที่คนและสัตว์ที่ตัวจะให้พอมองไปที่คนเนี่ยมันก็เห็นหน้าเห็นตามองได้ใจคิดจะให้มันก็ดูว่าเขาต้องการไหมเขาขาดแคลนเนอมันมองหน้ามองตาก็ทำให้รู้จักผู้คนมองเห็นสุขเห็นทุกข์มองว่าเออคนนี้เขาขาดแคลนคนนี้เขามีความทุกข์พอลองหน้ามองตาเริ่มเข้าใจเพื่อนมนุษย์ เห็นความต้องการของเขาพอเห็นความต้องการของเขามองด้วยความคิดจะให้นี่มันรู้สึกทุกข์สุขของผู้อื่นอื่นพอมองเห็นสุขของทุกข์ของเขาก็เกิดความเห็นใจความสงสารความกรุณาความเมตตาความเป็นมิตรนะความกรุณาเห็นใจเขานะพลอยหวั่นไหวในทุกข์ของเขานี่ก็เกิดตามมาเลยอันนี้พอเห็นเขาเป็นทุกข์แล้วนะ ก็อยากให้เขาเป็นสุอขอยากให้เขาพ้นทุกข์พอความอยากอย่างนี้เก <c oughs> ิดขึ้นก็อยากจะช่วยเขาพ้นทุกข์นี่ก็ต้องทําให้เขาพ้นทุกข์ทำให้เขาเป็นสุขนี่เมื่อเขาเป็นทุกข์เขาขาดแคลนอ้าวจะทําไงให้เขาหายทุกข์ก็ต้องให้สิเขาขาดแคลนนี่เอาเขาขาดขาดอาหารก็ให้อาหารเขาขาดเสื้อผ้าก็ให้เสื้อผ้าพอเราไปให้เขานี่เห็นเขาเป็นสุขขึ้นมาก็สมใจเรา ก็เลยเป็นสุขด้วยคนเราเพออยากให้เขาเป็นสุขทําให้เขาเป็นสุขได้ตัวเองก็เป็นสุขด้วยนั้นการให้กลายเป็นความสุขสําหรับคนที่ไม่ได้ฝึกการให้นี่การให้จะเป็นความทุกข์เพราะว่าคิดจะได้จะเอาต้องได้ต้องเอาสําเร็จจึงจะสุขทีนี้ถ้าต้องให้ก็คือสูญเสียจะทุกข์จะฝืนใจใช่ไหมแต่พอเราพัฒนาจิตใจที่จะให้มีเมตตากรุณา ความคิดอยากจะให้เกิดขึ้นก็คิดจะทำให้เขาเป็นสุขเพราทำให้เขาเป็นสุขได้ตัวเองก็เป็นสุขด้วยการให้กลายเป็นความสุขได้เมื่อคนมีความอยากให้เขาเป็นสุขก็คือเมตตากรุณานั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ในพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างคนที่สามารถมีความสุขจากการให้แต่หมายถึงให้แก่ลูกเพราะารักลูกใช่รักลูกนี่พอให้กก่ลูกก็มีความสุข แทนที่ว่าพ่อแม่ให้ไปแล้วตัวเองจะทุกข์เปล่ามีความสุขนะ่ทั้งทที่ของนั้นพ่อแม่ก็อยากได้อาหารนั้นก็อยากกินแต่พอลูกอยากกินให้กัลูกได้พอให้กัลูกตัวเองก็ไม่ทุกข์ตัวเองก็มีความสุขเพราะรักลูกนี่ถ้าเราสามารถขยายความรักความเมตตานี้ไปถึงเพื่อนมนุษย์ถึงสัตว์อื่นเนี่ยเราก็สามารถมีความสุขจากการให้ได้เช่นเดียวกัน อย่างคนแม้แต่รักสัตว์เนี่ยบางคนนี่มีแมวรักแมวให้กัแมวก็มีความสุขรักสุนัขให้กับสุนัข ก, ก็มีความสุขใช่รักใครมีเมตตาใครก็ทำให้เขาสุขเราก็สุขด้วยนิพพุทธเจ้าก็สอนให้เราเจริญเมตตาถ้าเราเจริญเมตตาขึ้นมาเราสามารถมีความสุขจากการให้ได้แต่ว่าข้อแรกที่สําคัญก็คือการฝึกทำจิตให้คิดจะให้เนย และจิตใจของเราก็มีดุนยาภาพชีวิตของเราก็มีดุนยาภาพแล้วออกไปสู่สังคมก็สังคมก็มีดุนยาภาพสังคมที่ไม่ใช่แย่งชิงเอาอย่างเดียวสังคมที่มีการแบ่งปันให้แก่กันก็ร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมคนก็ไม่ขาดแคลนเกินไปเพราะนั้นก็อยู่กันได้ตกลงว่าสําหรับชีวิตของคนทั่วไปในโลกนี้พุทธศาสนาก็เลยสอนหลักธรรมข้อแรกก็คือทานเพราะว่าสอนจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่า เกิดมาแล้วก็ต้องดิน้นรนเพื่ออยู่รอดต้องหาอาหารต้องหาวัตถุมาเลี้ยงชีพแล้วก็เลยทําให้มีวิถีชีวิตและแนวโน้มของจิตใจที่จะได้จะเอาก็สอนทานมาเพื่อให้มีความคิดที่จะให้มาสร้างดุลยภาพพร้อมกันนั้นก็ให้สังคมมีดุนยภาพโดยการที่ว่าไม่แย่งชิงก็มีการให้กันด้วยเพราะนั้นทานนี่เป็นธรรมะที่ เป็นข้อแรกอย่างที่ว่าแล้วก็เน้นในชุดต่างๆชุดนี้เราพูดไปแล้วทานศีลภาวนาก็มาเป็นข้อที่หนึ่งใช่ไหมทานนี่นอกจากว่าพัฒนาจิตใจที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างไมตากรุณาได้แล้วเนี่ยก็มาหนุนศีลใช่ไะเพราะว่าศีล น, นี่ไม่เบียดเบียนกันมีพฤติกรรมเกื้อกูลกันจะอยู่ได้มั่นคงยังไรถ้าหากว่าคนยังมีความขาดแคลนวัตถุ อ้าวก็ต้องมีทานมาหนุนสิพระทานมีการให้ปันกันแล้วศีลการไวเบียดเบียนกันความสัมพันธ์ที่ดีก็อยู่ได้ใช่ไหมศีลเขศีลก็าอาศัยทานมาช่วยหนุนเพราะนั้นเป็นธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกันอันนี้ทานมาในชุดทานศีลภาวนาแล้วมาในชุดอื่นก็มาเป็นข้อแรกหมดไหนลองยกตัวอย่างมาให้ดูสิครับเรียนธรรมะมาหลายชุดแล้วไหน อ่าสังขวัตถุส่สี่เห็นไหมอยู่ในโลกต้องมีการยึดเหนี่ยวประสานสังคมให้อยู่ได้ดีต้องมีการสงเคราะห์เพื่อรวมใจยึดเหนี่ยวใจกันไว้ก็สังฆะวัตถุสี่ก็เริ่มด้วยข้อหนึฐานก่อนใชนี่เห็นไหมฐานต้องมาเป็นข้อแรกก่อนอให้ปันวัตถุช่วยเหลือกันด้วยวัตถุสิ่งของแล้วก็สองจึงปิยาวาจาช่วยได้ถ้อยคํามก็อัธริยาช่วยได้แรงกําลังกาย แล้วก็สี่สมานาตตาก็เข้าอยู่ร่วมกันโดยประสานกลมกลืนอ้าวไทยลองยกตัวอย่างมาดูอีกทีนะว่าชุดไหนที่มีฐานด้วยแล้วฐานต้องมาเป็นข้อแรกนะเอมีเยอะนะอ้าวอีกชุดหนึ่งนี่นี่เราลองดูนี่ฐานศีลภาวนานี่หลักการพัฒนาคนทั่วไปใช่ไหม เราเรียกว่า บ, บุญยะศิกขาแล้นี่หลักการกานทำความดีฝึกคนในการทำความดีก็าฐานมาเป็นข้อแรกสังหาวัตถุนะั้นเป็นชุดที่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยมีความสามคัคคีกลมกลืนสำหรับทุกคนจะต้องปฏิบัติก็าฐานเป็นข้อแรกต่อไปคนที่จะมาช่วยให้สังคมอยู่ได้ดีนี่ก็คือนักปกครองใช่ไหมนักปกครองนักปกครองก็พระราชาก็ทศพิศราชธรรมใช่ม ทศพิศราย จ, จะรมก็ดูสิอะไรข้อหนึ่งทานอีกใช่ไหมฮะทศพิศร่ายรมก็ต้องข้อหนึ่งทานพระราชาจะมาช่วยสังคมบ้านเมืองประเทศชาติอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องมีทานก่อนนะทานด้วยพระองค์เองเนี่ยพระราชาเองก็จะต้องมีพระไทยเอื้อเฟื้อเผือผ่อแผ่แบ่งปันชอบช่วยเหลือราษฎรไม่ใช่เห็นแก่พระองค์เองใช่ไหมท่านั้น มาเป็นนักปกครองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พระราชาปกครองแล้วพระราชาทรงเป็นประมุกก็เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีก็ต้องปลูกฝังนิสัยฐานให้มากๆนะฮะใช่ไหม น, กกนักปกครองนักปกครองนี่เวลานี้ประชาธิปไตยรับเอาพระราชาอำนาจมาจากพระราชาแล้วก็ต้องรับเอาราชธรรมมาด้วยถูกไหม นี่เดี๋ยวนี้รับแต่ราชอานาจมาแต่ราชธรรมไม่ได้สนใจเพราะงั้นนะเพราะนั้นราชธรรมสิบประการทศพิษราชธรรมนี่เรียกในภาษาบาลีว่าราชธรรมสิบประการนะเราเรียกกันง่ายๆราชธรรมคู่กับราชอานาจักรรับราชอานาจมาแต่ราชธรรมไม่รับมาได้ยังไงนะเราเป็นพูดแต่ทศพิธราชธรรมสาหรับพระราชาก็เวลานี้ผู้ปกครองนี่ก็คือพวกคณะรัฐบาล นั่นพวกรัฐบาลนี้จะต้องเอาราชธรรมมาได้ทีนี้ราชธรรมนี่ผู้ปกครองประเทศก็เริ่มข้อหนึ่งก็ทานก่อนใช่ไหมต้องเป็นผู้ที่ให้ปันแบ่งปันนอกจากแบ่งปันด้วยตนเองแล้วก็จัดสรรสังคมนี้ให้มีการแบ่งปันเช่นเฉลี่ยรายได้ให้ทั่วถึงนะมีการคําว่าทานนี่ก็คือให้แล้ปันภาษาโบราณก็าแปลว่าปันใช่ไหมปันก็คือรู้จักแบ่ง ต้องแบ่งปันกระจายไรายได้ให้ถอดถึงนะ น, นั้นฐานก็มาเป็นข้อหนึ่งทีนี้ทศพิราา จ, จะทมก็ข้ออื่นก็ตามมาทีหลังมีอะไรบ้างล่ะทานังศีลังปริจจาคังอาชวังมัทวังตะปังอกโกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโรธนังสิบข้อใช่ไหมมีหนึ่งฐานการให้สองศีลนะสามปริจจาคะการเสียสละ เสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาราชนได้ถ้านักการเมืองของเรานี่มีปริจาคณานี่ราษฎรอยู่รวมเย็นเป็นสุขเยอะเลยนะน่ยทานก็ดีเยอะแล้วถ้าได้ทานศีลก็ขอให้อย่าไปรุจจริตใช่ไหมมีศีลเนีน่ยขอให้นักการเมืองของเรามีศีลแล้วก็ปริจาคณามีความเสียสละได้ไรต่อไป มัททวังใช่ไหมมีความอ่อนอาชวังความซื่อตรงแน่ความซื่อตรงนะี่สําคัญมากใช่ไหมแล้วก็มัททวังก็แปลว่าความนุ่มนวลอ่อนโยนนะมัททองตะปังตะปังหมายความว่าความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เห็นแก่การบํารุงบําเรือความสุขยอมอดหลับอดนอนช่วยเ ห, หลือราษฎรได้นะตะบะนี่สําคัญมาก คือเป็นอยู่อย่างไม่เห็นแก่ความสุขสะดวกสบายส่วนตัวไม่มีชีวิตแห่งการบรงมบงุ่มบูดไม่หลงระเริง ม, มัวมเมาตะบะตั้งใจบำเพ็ญกิจหน้าที่อาโกทางไม่เกลี้ยโกรธไม่เกลี้ยวก ร, ด า, กรวกาดอาวิหิงสันจะไม่ข่มเหงราษดอนขันตินจะ ก, ก็แปลอดทนอวิโรธนังแปลไม่คลาดรมไม่ประพฤติผิดจากธรรมะทั้งนีติธรรม กฎหมายระเบียบแบบแผนทั้งประเวณีธรรมแล้วก็ทง้งศีลธรรมธรรมะทุกอย่างไม่คลาดธรรมไม่ให้ประพฤติผิดจากธรรมแต่เปลว่าข้อแรกก็คือฐานก่อ น, นเห็นไหมนี่หลักธรรมที่เกี่ยวกับชีวิตของชาวบ้า น, นแม้แต่เป็นผู้ปกครองประเทศก็ต้องเริ่มด้วยฐานก่อนเสร็จแล้วจะมาต่อไปเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิยิก็ไปขั้นหนึ่ง เป็นจกักรพรรดิเลยนะจกักรพรรดินี้ก็จะมีเป็นจกักรวัดดิวัตสิบสอข้อในสิบสองข้อนี่มาจากพระไตรปิฎกนี่ท่านมีแค่ห้าข้อนะแล้วเอารายละเอียดมาขยายทําให้เป็นสิบสองข้อแต่ว่าหลักใหญ่นี่ห้าข้ออันนี้ห้าข้อนี่มีอะไรหนึ่งเป็นธรรมาทิตย์ไต่ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ใช่ไหมนี่ราชาผู้เป็น ยอดเยี่ยมเป็นจกักรพรรดิต้องถือธรรมปธิปไตยเป็นธรรมราชาเอาธรรมเป็นใหญ่ไม่เอาตัวเป็นใหญ่ไม่เอาเสียงนิยมยกย่องสรรเสริญเป็นใหญ่แต่เอาธรรมะหลักการเป็นใหญ่นี่สองก็จัดการอารักขาคุ้มครองป้องกันประชาราติทุกหมู่เหล่าโดยธรรมเนี่ยหมายความมาให้ความเป็นธรรม การดูแลสุขทุกของรัสดรการบำรุงความสุขต่างๆเนี่ยทุกหมู่เหล่าตอนนี้ท่านจะแยกเป็นเหล่าต่างๆจนกระทั่งถึงมิขปักสีเนื้อละนกไม่เฉพาะคนอย่างเดียวนะแม้แต่เนื้อละนกก็ต้องคุม้มครองด้วยนี่ให้การอารักขาคุม้มครองโดยชอบธรรมและสามก็อธรรมการไม่ให้มีการกระทาที่ผิดธรรมะขึ้นในบ้านเมืองนะ ก็หมายความว่าต้องคอยป้องกันการ ก, กระทาที่ผิดธรรมะแล้วก็เรื่องของอัจญากรรมต่างๆต้องพยายามกำราบปรับปรามป้องกันไม่ให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ต่อไปธนานุปทานนั่งแปลว่าการเพิ่มรายได้ให้ปันเฉลี่ยทรัพย์ให้แก่ผู้ไรทรัพย์นี่มาและฐานเนื ฐานมาในในกรณีจั ก, กรพรรดนิทานมาเป็นข้อที่สธนานุปทานนังนะก็เป็นข้อที่สําคัญเวลาจะเกิดปัญหานี่ในจั ก, กรวัติสูตรพระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้เกิดปัญหาที่ข้อนี้ก่อนเลยเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจพอราชาจั ก, กรพรรดิบกพร่องข้อสปั๊บเกิดอาจญากรรมพอปราบใช้ความรุนแรงยิ่งรุนแรงใหญ่ ยิ่งรุนแรงหนักข้าไปอีกเลยในที่สุดเลยแย่เลยเนพราะนั้นทนานุปทานนางการแบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์โดยเฉพาะให้คนผู้ไรทรัพย์ขาดแคลนเนี่ยแรนแคนนี้ต้องเอาใจใส่ไม่ให้มีโดยวิธีสำคัญก็คือการส่งเสริมอาชีพไม่ใช่ว่า ไปหมดแต่จะให้ซับให้ซับอยู่นะเดี๋ยวกลายเป็นว่าไม่ได้เรื่องอ่ะนะวิธีการที่จะช่วยให้ซับแก่ประชาราชนสาคัญก็คือการส่งเสริมอาชีพให้เขามีช่องทางทำหากินนะตอนนี้ข้อนี้เรียกว่าฐานทนานุปทานน่งเพรา ะ, ะนั้นการเลือกฐานก็มาเป็นหลักธรรมสําคัญสําหรับชาวบ้านทั้งหมดอ่านนักปกครองนะแล้วก็ข้อสุดท้ายสมณพราหมณ์ปริปุชฉาและการสอบถามปัญหากับสมณพราหมณ์ าว่าบรรพชิตพระสงฆ์ที่มีสติปัญญาประพฤติอยู่ในธรรมวินัยประพฤติดีปฏิบัติชอบมีความไม่ประมาทราชา จ, จักรพรรดิจะเข้าไปสอบถามปัญหาว่าอะไรดีอะไรชั่วนะ่แล้วก็อะไรควรประพฤติไม่ควรประพฤติมีปัญหาข้อสงสัยก็ไปสอบถามสแสวงปัญญาไม่ใช่ถือตนว่าเป็นผู้มีปัญญาเยี่ยมยอด สูงสุดแล้วก็เลยไม่ปรึกษาใครใช่ไหมก็มีห้าข้อเนี่ยสมณะเอ้ยมีห้าข้อสำหรับจกักรวฏดิวัดข้อปฏิบัติของพระเจ้าจากักรพรรดินะก็เป น, นว่าวัฐานนี่ก็มาเป็นข้อสาคัญนข้อหนึ่งขอภัยเป็นข้อที่สี่นะคือหมายความเป็นหนึ่งในห้าข้อนั้นแล้วทีนี้มาเป็นจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เอาอีกนะ แม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบารมีโดยมีทานบารมีเป็นข้อหนึ่งอีกอใช่ไหมบารมีสิบมีอะไรทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีสิที่ผู้ต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องบําเพ็ญโดยเมื่อบำเพ็ญแล้วก็ได้เป็นพระโพธิสัตว์จะตรัสรู้ต่อไปเนี่ยก็ต้องเริ่มในฐานอีก เห็นไหมฐานนี้มาในทุกชุดเลยสําคัญมากเพราะนั้นในโลกนี้จะต้องเน้นเรื่องนี้ก็เลยต้องฝึกเด็กนะเพราะาถือว่าเป็นบุญยศิกขาด้วยนี่เป็นการฝึกสําหรับพระนี่จะเน้นศีลสมาธิปัญญาทีนี้สําหรับชาวบ้านก็ต้องเน้นทานศีลภาวนานะทางพระรศีลสมาธิปัญญาทางครือขัดนี่เน้นทานศีลภาวนาตั้งแต่อยู่ในบ้านตั้งแต่เด็กแต่เล็กนี่หัด ในสังคมไทยวัฒ น, นธรรมไทยเรานี้จะหัดเด็กตั้งแต่เล็กๆเลยนะอย่างของฝรั่งนี่อาจจะเน้นมากกว่าในแง่การได้พอถึงวันเกิดก็จะได้แหละ <c oughs> ของขวัญในของไทยเราเน้นให้ทานนะถึงวันสําคัญรู้ตัวเองวันเกิดเอ้าวไปให้ไปทําบุญไปให้โนทนให้นี่ไปเริ่มจะ ต, ตักบาทหัดให้ก่อนนะนี่แหละคนไทยเราเน้นเรื่องการฝึกเรื่องทานใช่ไหม อยู่ประจาวันก็หัดตักบาตรรู้จักให้รู้จักแบ่งปันมันก็เลยกลายเป็นนิสยัยก็จะทำให้สังคมนีอยู่ได้ ด, ดีต้องมีการแบ่งปันกันแต่การแบ่งปันก็สำคัญนะฮะก็ต้องระวังอย่าให้โดยที่ว่าทำให้คนนีเสียนิสยัยแล้วกลายเป็นคนที่หวังพึ่งคนอื่นไม่กระตือรือร้อนขนขวายซึ่งก็ไปเข้าชุดพรหมวิหาร4ี่อีกนะต้งให้โดยเหตุผล ให้ความช่วยเหลือตามเหตุตามผลไม่ให้ละเมิดทรรเสียธรรมแม้แต่ให้กันลูกก็ต้องให้โดยมีเหตุดีผลนะให้เพื่อจะให้ลูกนี่ได้มีนิสัยในการที่ว่าทราบซึ้งในคุณธรรมไมตรีจิตในความดีงามต่อกันในความมีน้ำใจต่อกันระหว่างมนุษย์แต่ก็ต้องไม่ให้เสียนิสัยในการที่ว่าทําให้กลายเป็นคนขาดความรับผิดชอบแล้วก็ มุ่งแต่หวังเพิ่มคนอื่นก็จะผิดต้องมีอุเบกขาด้วยให้โดยสมเหตุสมผลให้เป็นฐานในการที่จะทําให้เขาเนี่ยได้ไปทําสิ่งที่ดีงามเป็นการสนับสนุนการทาความดียิ่งขึ้นไปก็ไปอ่านว่าเรื่องฐานนี้ก็เป็นธรรมะที่สำคัญ น, นี้ถ้าหากว่าเราฝึกเรื่องนี้ได้นะมันก็จะไปรับการที่พูดมานะว่า คนเรานี่เกิดมาถ้าไม่มีการศึกษามันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อเสพใช่ไหมตาดูหูฟังมุ่งเสพหมดหาความสุขให้กับตัวเองสนองตันหานี่มนุษย์ที่ไม่ได้มีการศึกษาไม่พัฒนาก็เป็นนักเสพใช่ไหมหาความสุขจากการเสพพอเราพัฒนามาอย่างธรรมะที่พูดไปแล้วนี่ผ่านไปหมดแล้วเราก็จะให้เป็นนักเรียนนักศึกษาใช่ไหม พอเป็นนักศึกษาก็เริ่มมีความสุขจากการเรียนรู้มีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้นี่พัฒนาขึ้นมาขั้นนึ่งละใช่ทีนี้ต่อมาก็มีความใฝ่ดีใน αι, ในชั้นท่านนั่นอีกแหละมีความใฝ่ดีก็อยากสร้างสรร์อยากทำให้มันดีก็มีความสุขจากการสร้างสรร์เป็นนักสร้างสรร์แล้วก็มีความสุขจากการสร้างสรร์ขยอบขึ้นมาและนะเริ่มจาก นักเสพมีความสุขจากการเสพพวกนี้ต้องแย่งชิงแล้วก็ไม่ไปอันทำอะไรละมัวเมาอันนี้มาเป็นนักศึกษาก็มีความสุขจากการสนองความใฝ่รู้นะต่อมาเป็นนักสร้างสรรค์มีความสุขจากการกระทำการสร้างสรรค์ทำสิ่งทั้งหลายให้ดีงามทีนี้ต่อมาก็เป็นนักให้นะใช่ไหมนี่ทานมาแล้วมาเป็นนักให้ก็มีความสุขจากการให้ด้วยนี่มนุษย์จะพัฒนาไปเยอะเลยใช่ นี่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราไมไ่ค่อยได้คำนึงเหล่านี้มันไปสนับสนุนแต่เรื่องความเป็นนักเสพท่าเดียวใช่หให้หวาดความสุขจากการเสพตัวเองก็ไม่พัฒนานไม่สามารถมีความสุขอย่างอื่นขึ้นมาเลยความสุขก็จมอยู่กับการเสพเสพวัตถุปัจจัยสี่ธรรมดามันรุนแรงไม่พอก็ไปเสพติดยาเลยแลวนอกจากนั้นก็ทาให้มีการแย่งชิงกั น, นในสังคม สร้างความเดือดร้อนที น, นี้ถ้ามีการศึกษาเนี่ยมันก็จะต้องพัฒนาจากการเป็นนักเสพมาสู่การเป็นนักศึกษาเป็นนักสร้างสรรและเป็นนักให้ใช่ไหมพอเป็นนักให้เนี่ยมันให้วัตถุแล้วมันก็ให้ความสุขแก่คนอื่นได้ด้วยไม่ใช่เป็นนักหาความสุขจะเป็นนักให้ความสุขถ้าเราสามารถทำคนให้มีความสุขจากการให้ได้ด้วยและเป็นนักให้ความสุขแก่ผู้อื่นชีวิตนี้ ก็จะเจริญงอกงามสังคมก็จะร่มเย็นเป็นสุขปัจจุบันนี้ที่เป็นปัญหามากก็คือว่าโลกนี้มันเอียงไปข้างเดียวหมดเลยให้คนนี่เน้นเสริมย้ำสัญชาตญาณกิเลสเดิมในการแสวงหาแย่งชิงเพื่อเสพเป็นนักเสพแล้วก็การศึกษาก็มาหนุนว่าพัฒนาความสามารถในการหาสิ่งเสพใช่ไหม แล้วก็มาใช้ระบบแข่งขันแย่งชิงหาผลประโยชน์ก็แย่งกันอีกเนี่ยแย่งชิงเสพกันอีกแล้วก็ยุ่งเดือดร้อนแน่นอนนั่นจะแก้ปัญหาอะไรละ่ะในเมื่อไม่ลาอะไรหมดระบบในสังคมนี้ไม่ว่าเป็นการศึกษาไม่ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจระบบอะไรต่างๆแม้แต่การเมืองยังพลอยเป็นระบบของการแย่งชิงหมดเลยใช่ไหมอันนั้นมันจะไปแก้ปัญหาของโลกทําให้สังคมล่มเย็นได้ยังไง นั่นก็เอาเป็นว่าเราได้มาเรียนธรรมะนี่ก็เป็นการพัฒนามนุษย์มองอะไรแต่ อ, อะไรเป็นศึกษาหมดใช่ไหมฝึกคนหมดแม้แต่ทานนี่ก็เป็นบุญญสิกขาพอได้ฝึกเรื่องทานแล้วก็ฝึกศีลใช่ไหมศีลก็สําหรับคระลึ้นหัดในการสัมผัสกับเพื่อนมนุษย์ก็เน้นเรื่องศีลห้าที่จริงนะ ท, ท่านเรียกว่าศิลขาบทห้านะฮะเรามาเรียกภาษาชาวบ้านว่าศีลห สิกขาบทหา ก, ก็ให้ฝึกในการที่ว่าอยู่ร่วมกับเขาได้ดีอย่าไปละเมิดทํรลายชีวิตร่างกายเขาอย่าไปละเมิดทรัพย์สินเขาในเรื่องกรรมสิทธิ์ผู้อื่นอ่าแล้วก็ไม่ละเมิดคู่ครองเขาไม่ละเมิดในเรื่องวาจาที่จะหลอกลวงทําลายผลประโยชน์ของผู้อื่นได้วาจาเท็จหลอกลวงเป็นต้นแล้วก็แถมเข้าไปก็คือว่าไม่ไป ก็ความรู้สึกคุกคามความมั่นคงปลอดภัยผู้อื่นด้วยการที่ไปเมาหรือว่าขาดสติเพราะยาเสพติดีิ่ข้อห้าหรือสิกขาบทข้อที่หสุรานี่ก็เป็นศีลที่เกี่ยวกับสังคมนะฮะเราไปดูว่าออพอดื่มสุรายาเสพติดมันก็ทำลายสติของตนเองอันนี้มันเป็นเรื่องภายในแต่ว่าสิกขาบท สีห้าเนี่เป็นเรื่องมุ่งในแง่สังคมมุ่งในแง่สังคมก็เป็นยังไงล่ะสีข้อหนึ่งชัดใช่ไหมไม่เบียดเบียนทำรายผู้อื่นชีวิตร่างกายข้อสองก ร, รมสิทธิ์ของเขาข้อสามคู่ครองของเขาข้อสี่ไม่ทำลายผลประโยชน์ของเขาไดยว่าจากเ ท, ท็จหลอกลวงข้อห้าพอเมาขาดสตินี่คนที่เสียสติเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เริ่มตั้งแต่ว่า ทำให้คนอื่นที่มาเจอนั้นที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกสูญเสียความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทันทีเลยเนะ่ถ้าเจอกับคนเมาเหล้าหรือคนติดยาเสพติดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าเห็นรถคันที่สวนมานี่คนขับเมาเหล้าเท่านั้นแหละใจเสียเลยชื่อไหมให้รถคันที่ขับไปเนี่ยสวนกันนี่ไม่แน่ใจแล้ะ เ, เกิดดีก็ดีมันอาจจะชนเข้าใช่ไหเพราะมันไม่มีสติมเมาหรือว่าสงสัยว่ารถที่แล่นมาสิบลอ้อสวนมาเยอะๆนะมีกินยามาบางเปล่าใจไม่ดีเลยใช่เนี่ยคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้สร้างความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยแก่ผู้อื่นและแก่สังคมเพราะฉะนั้นเป็นผู้คุกคามต่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของสังคมทันทีในเมื่อติดยาเสพติดดัง น, นั้นจึงมีผลต่อสังคมใช่ไหมแล้วเขาจะทําการละเมิดศีลข้อไหนก็ได้ทั้งนั้นอันนี้คือเรื่องศีลห้าเป็นความหมายต่อสังคมในแง่ที่เป็นเรื่องตัวเองนั้นก็เสียทั้งนั้นแหละทุกข้อแตนี้บางทีเราไม่นึกเรานึกว่าข้อห้าเป็นเรื่องตัวเองเปล่าที่จริงข้อห้าในแง่สังคมเหมือนกันนะฮะ เอาล้วครับก็พัฒนาเรื่องทานพัฒนาเรื่องศีลนะแล้วก็พัฒนาเรื่องภาวนามารวมกันทั้งจิตใจและปัญญาใ น, ในเรื่องจิตใจและปัญญาด้านในเนี่ยนะท่านพูดรวมกันในคําพระภาวนาเนี่ยพระเจ้าจะเน้นสําหรับคารหัดก็นเน้นที่ข้อเมตตก่อนก็หมายความว่าเน้นธรรมะในแง่ที่อยู่ร่วมกันในสังคมทานก็เรื่องการให้ต่อกันอยู่ร่วมสังคม ศีลไว้เบียดเบียนกันมีพฤติกรรมเอื้อกเกื้อกูลต่อกันแล้วก็ภาวนาก็เน้นเมตตาภาวนาการที่เจริญเมตตาการสร้างความเป็นมิตรไมตรีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีนะฮะแล้วต่อจากนั้นพอได้ฐานอันนี้แล้วสังคมร่มเย็นเป็นสุขก็เอื้อต่อการที่แต่ละคนจะได้พัฒนาชีวิตของตนตามตรศิกขาอันนี้ก็เข้าใจศิกขาแท้เลยนะก็สร้าง พื้นฐานให้ดีเพราะนั้นฐานศีลภาวนานี่ก็มุ่งเพื่อสร้างความร่มเย็นเป็นสุขในสังคมหรือสร้างสังคมที่มีสันติสุขด้วยการพัฒนาคนแต่ละคนให้มาเป็นส่วนร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมก็ได้ความแล้วนะฮะเรื่องฐานศีลภาวนาก็เห็นจะพอสมคนกับเวลาก็ถือว่าเป็นส่วนขยายออกมาจากชุดไตรสิกขา ใจศีขาเป็นหลักใหญ่แล้วมาเน้นคฤหัตมาเน้นด้านนอกเด่นด้านวัตถุมากหน่อยก็ทวนอีกทีว่าทานนี่ทำความดีด้วยสิ่งนอกตัวใช่ไหมวัตถุสิ่งของพรอมาศีนก็ที่ตัวแล้วกายวาจางตัวแล้วพอภาวนาก็เข้าไปในตัวสามชั้นแล้ถ้าเป็นชุดใจศกขาศีสภาวิที่ปัญญาก็เริ่มที่ตัว แล้วก็เข้าไปในตัวสองชั้นไปด้านจิตใจแล้วก็ขยับไปด้านระดับปัญญาก็ชีวิตของชาวบ้านถ้าหากว่าเรามาพัฒนาเน้นเรื่องนี้กันก็จะเป็นประโยชน์มากเวลานี้เราไปมองฐานศีลภาวนาในแง่ของการไปวัดวาราไปทบุญทำกุศลไปทานก็หมายถึงก็ไปเอาของไปถวายพระอย่างเดียวไม่นึกถึงการฝึกกันในชีวิตประจาวันใช่เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว อันนั้นมันก็อาจจะทำให้ธรรมะนี่มีความหมายคับแคบเกินไปเนย<ม>อะไรครับนา น, นมนต์นสงสัยจนเกินเขาบอกแล้วบอกามามาในพระใจพี่เด็กขาด้วยให้ทานต่อสัตว์เนราชาล้อยครั้งน ะ, ะสู้ให้ทานต่อคนไม่มีสินเลยสักตัวมาไห้นะจะให้ทานต่อคนไม่ ใ ห, <ก>ให้ทานแกน่ให้ทานแก่คนไม่ให้ทานแกคนที่ไม่มีศีลจักรร้อยครั้งซื้อให้ทานแก่คนที่มีศีลห้าก็ไม่ได้ตามลาดับเลยฮนะต้องศีลแปดศีสิบกระทั่งศีลจักรร้อยิบเจ็ดกระทั่งเป็นพระโสดาภิาิทธ า, าคารามีเจ้าพ่อละหานก็ทั่งว่าพระปัจเจกับพระเจ้ากระทั่งพระเจ้ทาทําต่อพระเจ้าร้อยครั้งยังไม่เท่ากับสังฆทานหนึ่งครั้งร้ย มาในพระจปีเิมด้วยอ่าสังฆทานนี้หมายถึงว่ามีพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นประมุขเนี่ข้าวเขใช่สินะพระพุทธเจ้าแตเนี่ยยามนี้นะลอยข้าอแก่สัตว์ดิลฉานก็มีผลน้อยกว่าให้แก่มนุษย์แม่ไม่มีศีลแม่ไม่มีศีลและให้แก่มนุษย์ที่ไม่มีศินทุศินก็มีผลน้อยกว่าให้มนุษย์ ก, ก็ให้แก่มนุษย์ที่มีศีลแล้วก็ให้แก่มนุษย์ที่มีศีลก็ว่าเป็นลำดับขึ้นไปนันก็ว่ากันใมกินไหนมามดีซะกว่า <c oughs> ให้ทาน <c oughs> แต่ตน้นแต่ว่ามันยังมีข้อรายละเอียดได้อีกเ <c oughs> ช่นเจตนาเป็นตน้น <c oughs> เจตนาก็เป็นองค์ประกอบในเรื่องของการ <c oughs> ให้ทานมีผล สแตนชาร์ตมันฆ่าของมามันคาดมานี่พระอยากจะได้ไก่ที่หมาฆ่าไก่ก็ไล่หมาจะตีมาแอ่นี้หมามันอนี้หมามันก็หมามันก็นอีกไปนะตอนนี้ไปฮะตกลพระไม่ไม่ไม่ไม่ประชิดไม่ปราชิไกอผมก็วคือเพระหมาตกมากลาเรามัน หมาสัตว์ใดๆฉันหมดสิทธิเป็นเจ้าของเนี่ยนะแล้วว่าในวินัยเงมันไม่ใช่มไม่ใช่คือการยึดถืออันนี้เป็นเรื่องของสังคมมนุษย์บัญญัติเรื่องศิทขาบทนี่วินัยนี่เป็นเรื่องสมมตินี่ะนะหมายถึงว่าเป็นเรื่องของบัญญัติในการอยู่ร่วมสังคมคนนี่มีการบัญญัติในการอยู่ร่วมกันให้มีการถือกรรมสิทธิ์ใช่ไหมพระเจ้าก็ยอมรับกรรมสิทธิ์ของมนุษย์ กบัญญัติในเรื่องนี้ในการอยู่ร่วมกันในหมู่มนุษย์ทีนี้สตัตว์ที่มันอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่ได้มีเรื่องของบทบัญญัติในทางสังคมแบบนี้ใช่ไหมสัตว์มันก็ไม่มีเรื่องกรรมสิทธิ์ต่อ ก, กันตัวไหนแย่งชิงไปได้ก็เอานะฮะมันไม่มีมาการมาแบ่งกันว่าที่ดินแปลงนี้ของคุณของเธอใช่ไหมมีไหม ไม่มีที่เจ้าพราชาไปเอาของคนอื่นแล้วบาทเนี่ยขายจากในพ้าแล้วเขาลงนู้ดด้วกันทําไมของสัตว์โโเ่าก็บอกแล้วไง น, นะบอกว่าเรื่องของวินัยนี่เป็นเรื่องของบัญญัติในสังคมมนุษย์วินัยนะบัญญัติในสังคมมนุษย์เพะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตธรรมกลางธรรมชาติที่ว่ามาเป็นอารยธรรมเป็นอะไรต่างๆการบัญญัติสิทธิอะไรอย่างที่ว่า เหมือนกับเราเหมือนกันนะไม่ใช่จะเพราะว่าเราไปแย้งอาหารเสือได้มาเสือมันกินเรามันก็ไม่ผิดเหมือนกันนะเออใช่ไหมอ้าวก็ลุงลงไปเจอเสือสิบอกแกอย่ามากินข้านะแกเป็นปานาติบาศแกบาศลุงลุงจะไหนไม่หมายถึงว่าเอาเอากันในแง่ก่อนสิทธิก็ว่าลุงลุงจะไปบอกว่าแกไม่มีสิทธิกินข้านี่ย ไปบอกเสือฟังไหมไม่ฟังใช่ไหมน่ทีนี้เสือมันกินมนุษย์มันก็มันก็มันบาปของมันชีวิตของมันมันบาปอยู่ระดับนั้นอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกอ่ะบาปของมันเป็นเรื่องธรรมดาบาปในระดับนี้นะเรื่องธรรมดาก็มันเพราะมันมาเกิดได้บาปนี้อยู่แล้วคนเนี่ยเลี้ยงจริงๆตั้งใจเลี้ยงแต่เลี้ยงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง อันนสิเดี๋ยวสิพูดตามเจตนาการเลี้ยงเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่เลี้ยงนะเลี้ยงนะเลี้ยงตั้งใจเลี้ยงจัดอาหารอะไรแต่เลี้ยงสัตว์แต่เลี้ยงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอ่าส่วนสัตว์นั้นมันไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงคนหรอกแต่ว่าเอามันไปขายเลยคนได้เงินมาเลี้ยงตัวเองใช่ไหมสัตว์มันไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงคนมันไม่มีเจตนาจะมาเลี้ยงแต่ว่าคนเนี่ยจากการที่เลี้ยงสัตว์นั่นแหละ เลยได้เงินได้ผลตอบแทนมาเลี้ยงตัวเองลุงๆก็เลยเรียกสํานวนนี่คนเลี้ยงสัตว์สัตว์ไม่ตายเพราะทันี้ตอนสัตว์เลี้ยงคนมีสัตว์ตายโอ้มอสัตว์เลี้ยงคนมาสํานวนเป็นการพูดตามสํานวนเนี่เราก็เป็นสัตว์อยู่แล้วนี่เข้าร้อยสัตว์จะม ของสังคมมนุษย์มาตกลงกันอันนึแล้วอื่นนี่ค่าหมูค่าไก่นี่คนไม่บาตรนะรว่าเป็นอาหารสำหคนอ๋อก็าศาสนาคริสต์อิสลามนี่เขาถือว่ามันเป็นอาหารสำหรับคนก็าศาสนาคริสต์นี่ในนั่นเลยเยนีซีสพระเจ้าสร้างโลกใช่ไหม สร้างมนุษย์สร้างมนุษย์ผู้ชายและต่อมาก็มันนอนหลับก็ชักสี่โครงมันออกมาสี่มัสร้างเป็นผู้หญิงมันเหงาหนักให้มันอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็เลยสร้างสัตว์สร้างพืชมาให้เป็นอาหารของมนุษย์นี่นี่ก็หมายความว่าเอามนุษย์เป็นหลักเพราะนั้นตะวันตกเขาจึงบอกว่าอารยธรรมเขานี่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางคือว่าเพื่อมนุษย์พระเจ้าจึงสร้างสัตว์ ทั้งหลายมามาให้เป็นของมนุษย์ที่มนุษย์มีโดเมิเนียนใช้คำว่าเงินให้มนุษย์มีโดมเ ม, ม, โดมิเนียนเหนือสัตว์เหนือพืชเหนืออะไรต่างๆในโลกที่พระเจ้าสร้างไว้ให้นั่นเขาเลยถือว่าเขามีสิทธิ์จัดการกับมันได้ตามปรารถนามาตอนหลังนี่มาตีความใหม่เดิมเนี่ยคำสอนก็บอกว่าสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างพวก สิงสารสัตว์มาให้มาอยู่ใต้อำนาจมนุษย์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ให้มนุษย์มีโดเมนเนียนเหลือสิงสาราสัตว์เหล่านี้เพราะนั้นมนุษย์ก็ถืออำนาจครอบครองเป็นใหญ่จัดการได้ตามปรารถนาอันนี้ก็เลยตะวันตกก็มีความคิดว่าตัวเองนี่จัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจ นี่มาถึงตอนนี้มันมีปัญหารเรื่องธรรมชาติแวดล้อมเสียเขาก็ตีความใหม่เขาบอกว่าที่จริงน่ะที่คำภีรเล่าไว้น่ะไม่ใช่หมายความว่าให้มนุษย์เนี่ยจัดการกับธรรมชาติส่วนอื่นช่นสิงสารสัตว์ได้ตามชอบใจเพราะว่าธรรมชาติส่วนอื่นสิงสา ร, าาา ร, าาราสัวสสาราาตว์พืชนั้นน่ะพระผู้เป็นเจ้า สร้างมาไว้แต่เป็นสมบัติของพระองค์แล้วก็ให้มนุษย์ดูแลการที่ว่าให้มนุษย์มีโดเมนเนียนเหนือสิ่งเหล่านั้นหมายความว่ า, วามนุษย์เนี่ยจะได้ดูแลได้โดยมีอำนาจจัดการดูแลนะจัดการในแง่ดูแลนะข้อของนั้นยังเป็นสมบัติของพระเจ้านะใช่ไหมนั้นก็ต้องดูแลสมบัติของพระเจ้าไว้ให้ดี ตอนนั้นเขาก็ให้ศัพที่แสดงหน้าที่ของมนุษย์ใหม่เรียกว่าเป็นสจวตแนวะคิดนี้กำลังใช้ในตะวันตกปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องทาลายธรรมชาติแบดล้องแล้วพวกนี้ก็เถียงกันในแง่ว่าแยกเป็นสองฝ่ายคือพวกหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยอารยธรรมตะวันตกทั้งหมด ตั้งแต่ปรัชญาเพเรโตโซเครติสิริโตต้นมาแลยหมดเลยตลอดสายจนกระทั่งสานาคริตเนี่ยสอนอย่างเดียวกันคือให้ถือตัวเป็นใหญ่จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจจึงทําให้ธรรมลายธรรมชาตินี้อีกพวกหนึ่งก็เถียงบอกว่าที่มันเสียอย่างนี้อารยธรรมตะวันตกมันทําลายธรรมชาติเพราะปรัชญากรีก เช่นโซครติสไปเท ร, ตรตโตริสโตเทล ส, สอนาสนาคริสต์นั้นพระผู้เป็นเจ้าสอนไว้ไอ้ทรงสร้างโลกไว้ตามคำพีเนี่ยมีความหมายอย่างที่ว่าให้มนุษย์เป็นสจวดคอยดูแลสมบัติให้พระเจ้าแต่ว่าพวกสอนศา ส, น, สนาคริสต์พวกนบัตหลวงเนี่ยไปอยู่ใต้อำนาจอิทธิพลปรัชญากรีกก็เลยไปสอนแบบปรัชญากรีก อารยาธรรมตอนตกก็เลยเป็นอารยาธรรมที่ทําลายธรรมชาติไปดัง น, นั้นตอนนี้ก็อย่างในอันกอนี่เป็นตัวอย่างอันกอเป็นรองประธานนิบดีอเมริกาปัจจุบันก็จะบอกว่าประญักกีกเพลโตเนี่ยตัวร้ายแล้ว <c oughs> ใ, ในอันกอนี่เล่นงานเพลโตเต็มที่เลยเนี่ยเป็นตัวทำให้อารยาธรรมตอนตกเนี่ยกำจัดทําลายธรรมชาติตัวอาริโซตนนุสนี่สอนไม่เหมือนกับเพลโตอ่างั้น แล้วศาสนาคริสต์ก็ไม่ได้สอนผิดอย่างเปเลโต้ศาสนาคริสต์สอนอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าธรรมชาติเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาให้มนุษย์ดูแลครอบครองแต่ว่าเป็นสมบัติของพระองค์เพราะนั้นต้องดูแลให้ดีทําหน้าที่เป็นสัจัตตอนนี้เขาก็ให้มองมนุษย์ใหม่ว่าให้ปฏิบัติต่ตอธรรมชาติในฐานะเป็นสัจัตคือเป็นผู้ที่ดูแลสมบัติ ว่าให้พระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นต้องดูแลให้ดีแนวคิดนี้เรียกว่าแนวคิดสั จ, จุดชิป<ม> น, ปนก็เป็นมไม่ใช่ชิปเป็นภาวะเช่น friendship ความเป็นเพื่อนน่สัจุดมันเครื่องบินออสจุดอยู่ในเครื่องบินก็มี <laughs> อันนี้สัจวดชิปเนี่ยแล้วความเป็นสั จ, จดุดหมายถึงความเป็นคนที่ดูแลต่างตาใช่ม เป็นคนที่มาดูแลสมบัติให้แก่ผู้อื่นหมายถึงแก่พระผู้เป็นเจ้าและตอนนี้เขาก็ใช้แนวความคิดนี้ในการที่จะให้มนุษย์เนี่ยอนุรักษ์ธรรมชาตินี้ถ้าหากว่าไม่ยึดถือหลักศาสนาไม่ได้เชื่อในคำสอนศาสนาคิดการทำหน้าที่ดูแลธรรมชาตินี้ก็อา้าวไม่ต้องดูแลให้พระเจ้าก็ได้แต่ดูแลไว้ให้แก่อนุชนว่างนะ ดูแลสมบัติของโลกไว้ให้แก่นุชนคนรุ่นหลังก็แนวคิดนี้ก็อยู่ในเรื่องสัจจุติชิพนี่แหละนะฝรั่งก็จะหาทางออกในการรักษาธรรมชาติด้วยการตั้งแนวคิดนี้ขึ้นมาปัจจุบันนะก็ใช้เป็นหลักการสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาการทำลายธรรมชาติแวดหลอมส่วนพุทธศาสนานี่เราไม่มีปัญหาเรื่องนี้ แต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเราก็ไปตกอยู่ใต้อํานาจกระแสอิทธิพลอารยธรรมตอนตกก็เลยทําไปตามแต่ว่าเวลาเอาเข้อจริงฝรั่งกลับตื่นตัวในการแก้ปัญหามากกว่าไทยไทยยังเรื่อย ๆ, ไปไปๆเปลื่ยยังทําลายกันเต็มที่เลยฝรั่งพอรู้ตระหนักภัยก็เอาใจใส่มากขึ้นอย่างไปอเมริกาเท่ที่แล้วก็เห็นชัดตามบ้านต่างๆเนี่ยการ ปฏิบัติในเรื่องขยะนี่เขาชัดมากการแยกขยะแล้วก็การที่เอาขยะไปทิ้งไปอะไรต่างๆเนี่ยนะแม้แต่มีการบริจาคขยะใช่เนี่ยเอาขยะไปให้ที่เขามีจัดไว้แล้วก็จะมีคนมารับเอาไปเพื่อจะไปใช้หาเงินหาทองได้ ได้เป็นเรื่องของการช่วยเหลือสองเคราะห์กันในสังคมแล้วพื้นฐานฝรั่งเขาก็มีดีของเขาอยู่หลายอย่างซึ่งเราจะต้องยอมรับนะแต่ว่าเขาเช่นว่าการที่ว่าตั้งอยู่ในวินัยของเขาก็รากฐานเขาก็มั่นกว่าเราใช่มฮะแต่ว่าฝรั่งยุคใหม่ก็กำลังจะแย่ใจอย่างที่ว่าเพราะว่าเข้าสู่ยุคบริโภคนิยมฐานที่สร้างมาเก่านี่ยังฝังลึกยังช่วยเขาได้เยอะ แต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็กำลังจะแยะ่เวลามันเสื่อมก็เสื่อมโดยอัตราเปรียบเทียบกันนับว่าไหวเหมือนกันในการที่คนรุ่นใหม่นี้สูญเสียความเข้มแข็งของจิตใจความขยันหมั่นเพียรค่อยๆหมดไปตายเป็นคนสำรวยหยิบโยงอย่างที่ว่าเนี่ย